อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ202 1. ภพิกูุมีบุุรรู้เดียงสาอยู่เป็นเพื่อนสองพิกษุยืนไม่ได้นั่ง 3. ภพิกูุไม่ได้มุ่งว่าเป็นที่ลับ 4. ภพิกูุนั่งคิดเรื่องอื่น 5. ภพิกษุวิกลจริต 6. ภพิกูตต้นบัญญัตพระโหณนิสัตช่าสิขาบทที่สิบจบโอวาทวาคที่สจบ